นมัตสการหลวงตาค่ะออขอโอกาสชื่อชื่อหมอการกาญชนาค่ะ ก, ก็นะค่ะก็รอบที่แล้วมากราบหลวงตาหลวงตาบอกว่าไม่เห็นตัวเองที่เข้าไปพยายามเข้าไปทําก็ยังเถียงไม่เห็นก็เข้าไปดูก็แต่ก่อนไม่เคยเห็นจริงๆค่ะก็ตอนนี้เหมือนไม่แน่ใจว่าเห็นถูกไหมนะคะก็คือที่หลวงตาบอกว่าไปดูมันจะมีอะไรที่มัน มันลักตัวเรามันห่วงตัวเองมันพยายามจะทำอะไรแล้วมันก็ขึ้นมาจากความว่างตลอดเวลาขึ้นมาแบบถี่มากแล้วเราก็กระโจนลงไปเป็นมันก็คือมันก็ห่วงตัวเองตลอดเวลาเะคะเดี๋ยวก็เอ๊ะอย่างนั้นดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าเอ๊ะจะทำไอ้นั่นเอ๊ะจะทำไอ้นี่คือมีไอ้ตัวนี้ขึ้นมาเหมือนเหมือนคิดว่าตัวเองเห็นแล้วนะคะคือเห็นว่ามันก็ปรุงขึ้นมาจากความว่างนะคะ ก็มีอยู่คืนนึงก็กาลังจะนอนวันนั้นเหนื่อยเหมือนกันเห็นเลยว่ามันปรุงขึ้นมาจากความว่างเลยความเป็นตัวเราเมันขี่ยิบเลยค่ะแล้วมันก็รักตัวเองตลอดเวลามันห่วงตัวเองมากเลยค่ะเมื่ดีแล้วเห็นแบบนี้ก็ถูกต้องแนละ้วค่ะด้วยไงเตย คือแถ้าถามหลวงตาว่าถ้าทเรียนถามหลวงตาว่าอยากให้แนะนำเขาแนะนําเพื่อตัวเราเองค่ะทุกอย่างเพื่อตัวเราเองครับแล้วไงต่อก็เช้านี้ที่เมื่อถามอะไรมันก็ต้องแนะนําเพื่อตัวเราเองเออค่ะเมืถามแล้วจะแล้จะเหลืออะไรอย่างเงี้แล้วจะเหลืออะไรแล้วจะเป็นยังไง ก็คิดว่าดูตัวนี้ไปนะคะว่ามันมันก็คือเป็นกิเลสมันรักตัวเองมันเห็นแก่ตัวเนะะี <c oughs> ่ยค่ะมันอยากจะพ้นทุกข์อย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> ก็แบบที่หลวงตาแนะนำเมื่อเช้าก็คือต้องรักษาศีลแล้วก็ต้องออที่ว่าสามข้อนะคะ มีศี่ห้าแล้วก็ดูตามโลกาวัดชะแล้วก็อันสุดท้ายปัณ ต, ติวัชชะค่ะตัวนี้เองทำดีตัวเองได้หรือไม่ยังไม่มีได้หรืไม่ปัณติปวัชชาผู้รู้ทำดีตัวเองได้หรือไม่คอยสังเกตดูอ่านจิตอา่านใจวัดจิตวัจตัวเองตลอดเวลาค่ะแต่ที่จริงของของเรานี่มันน่าจะมาถึงขั้นนี้แล้วเพราะว่าเราเห็นถึงกัน จิตนี่ม kind of mm. ันมีการเคลื่อนไหวตัวเองคิดขึ้นมานึกขึ้นมาตึกตองขึ้นมาเคลื่อนไหวก็เพิ่มขึ้นมาจากความไม่มีมาสู่ความมีจากความไม่มีอะไรเลยขึ้นมาแล้วก็เพิ่มขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วก็ดับกลับไปคืนสู่ความไม่มีดังนั้นอ่ะไอ้ความไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันเป็นพื้นมันเป็นฐานฐานเดิมฐานเดิมแท้ๆไอ้ส่วนที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วก็ดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีอะไร อันฐานเดิมแท้เนี่ยเขาเรียกว่าจิตเดิมแท้หรือใจด้านเดิมแท้อันนั้นคือฐานเดิมแท้ฐานก็ไม่ได้ว่ามันมีฐานมีมี ม, ม, มรูปมีล่างมีมีอะไรเป็นฐานแต่กคแค่ว่ามันสิ่งเกิดดับมันเกิดดับจากความไม่ไม่มีอะไรมาแต่แรกแล้วก็เกิดขึ้นมาเช่นมันไม่มีความคิดอย่างนั้นมาแต่แรกแล้วก็อยู่ๆก็คิดอย่างนั้นขึ้นมาจากความไม่มีความคิดอย่างการแต่แรกแล้วก็ดับหายไป <c oughs> อยู่ๆไม่มีอารมณ์อย่างนี้นึ้นมาแต่แรก แล้วก็มีอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็ดับหายไปสู่ความไม่มีอารมณ์มีคิดมีนึกมีตึกมีตองมีกังวลมีมีการพยายามช่วยเหลือตัวเราเองมีการหุดหงิดมีความลำคัญใจมีเพลงมีจ้องมีตึกมีตองมีวิเคราะห์วิจารณวิจัยมีวิพากษ์วิจารณอะไรต่างๆสารพัดแนี่ยจากความไม่มีแต่เดิมแล้วก็มีขึ้นมาแล้วก็ดับหายไปสู่ความไม่มีจากไม่มีแล้วก็เกิดมีขึ้นมาแล้วก็ดับหายไปสู่ความไม่มีถ้าเห็นตรงเนี้ยสุดยอดเลยล่ะ เราจึงเห็นว่าความมีทั้งหมดน่ยเกิดดับขึ้นมาจากความไม่มีเกิดขึ้นมาจากความไม่มีระดับหายไปในความไม่มีแล้วก็จะไปอยู่กับความไม่มีนั่นแหละอยู่กับความไม่มีแล้วก็อย่าไหลไปตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีแล้วไปสู่ความมีขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันกระดับไปสู่ความไม่มีก็อยู่กับความก็อยู่กับเป็นเป็นความไม่มีนั้นไม่ใช่แบบพยายามไปยึดความไม่มีคือมันเป็นความไม่มีนั่นเลยให้เราไปความไม่มีนั้น เป็นความไม่มีอะไรนั่นเลยเป็นใจเรียกว่าเป็นใจที่ไม่มีอะไรนั้นเลยไม่มี ah อะ pues <hur realistic, S 2> ไรปรากฏแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรปรากฏขึ้นมาในใจแล้วก็ดับหายไปเราก็จะหลงไปตาม <h> สิ่งที่ปรากฏขึ้นมาแล้วก็ดับหายไปสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาดับหายไปเมื่อใจไม่หลงไปตามสิ่งที่ปรากฏและดับหายไปใจก็เป็นความไม่มีอะไรตลอดการตายแล้วใจก็เป็นความไม่มีอะไรตลอดการเป็นอมตะนะเป็นอมตะแต่สิ่งที่เกิดดับเนี่ยมันจะดับไปต่อสิ้นอายุไขัยพอสที่อายุขสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากความไม่มีและดับไปสู่ความไม่มีเนี่ยอันนี้มันจะไม่มีการเกิดดับอีก มันเหลือแต่ความไม่มีเหลือแต่ความไม่มีอย่างเป็นอมตะคือจะไม่เหลือตัว ต, วตนโผล่ขึ้นมาจากความไม่มีอีกพอตายแล้วก็จะไม่เหลือจิตวิญญาณที่เป็นรูปร่างเหมือนกายโผล่แสงโผล่มาจากความไม่มีเป็นมีขึ้นมาอีกแล้วก็จะมาถูกพวกยมทูตลากตัวไปลงโทษหรือพวกบาป ก, กรรมทั้งหลายก็ยังให้ผลได้แต่เมื่อกลายไปสู่ความไม่มีเสร็จแล้วเพราะทุกขณะปัจจุบันก็ เป็นความไม่มีคือเป็นใจที่ไม่มีอะไรปรากฏแล้วก็จะมีอะไรปรากฏแล้วเมื่อไม่หลงไปตามสิ่งที่ปรากฏไม่หลงไปตามอาการที่ปรากฏก็จะกลายเป็นใจที่ไม่มีอะไรปรากฏตลอดการแต่สิ่งที่ปรากฏเมื่อยังไม่ถึงแก่ความตายเรียกว่าขันห้าหรือสังขารกายสังขารจิตใจสังขารก็ยังปรากฏอยู่แต่ปรากฏแล้วก็ดับหายไปในความไม่มีใจก็เป็นความไม่มีอะไรปรากฏตลอดการที่ลุดูดูนัตโหใช้คาว่ามหาสุญญตาจักรวาลเดิม เข้าใจไหมเงี้ยหรือท่านพ่อแม่กุบาจารย์ท่านกล่าวว่าผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงพานิพานถึงใจคือการไปเป็นใจนั่นเลย <c oughs> หรืออีกกรณีหนึ่งยกตัวอย่าง <c oughs> มีพระอาหารหันต์สาวกของพุทธเจ้ามีคำถามเกิดขึ้นในใจสงสัยก็จะไปถามพุทธเจ้าพอเดินไปถึงใต้ ข้าท้กุฎีพุทธเจ้าพรดีฝนตกก็เลยยืนรออยู่ใต้ถุนข้าท้ากุฎีพุทธเจ้ารอว่าถ้าฝนหยุดตกแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปกราบทูลถามปัญหากับพุทธเจ้านี่ฝนก็ตกมาอยู่ทีน้ําฝนจากชายคาก็ไหลลงมากระทบกับพื้นน้ำข้างล่างเมื่อน้ําฝนจากชายคาลงมากระทบพื้นน้ําข้างล่างก็เกิดเป็นต่อมก็เกิดเป็น <c oughs> เมื่อน้ําฝนจากชายคาเนี่ย ไหลาจากชายคามากระทบกับพื้นน้ำข้างล่างก็เกิดเป็นต่อมน้ำขึ้นมาเมื่อเกิดเป็นต่อมน้ำขึ้นมาแล้วต่อมน้ำนั้นก็แตกแล้วก็ดับหายไปกลายไปเป็นพื้นน้ำอย่างเดิมเดี๋ยวก็มีต่อมใหม่ขึ้นมาอีกเพราะว่ายิ่งฝนตกแรงน้าฝนจากชายคาก็ไหลลงมากมากก้นนีต่อมก็ผ่ากันพดขึ้นมาเต็มเลยผุดขึ้นมาบางครั้งก็ผุดช้าตามเหตุปัจจัยคือน้าฝนตกช้า มาโดนพ g, ื้นน uh, ้าข้างล่างก็เลยเกิดต่อมช้าก็คือต่อมก็น้อยอ่ะน้อยต่อมน้อยแต่ต่อมทุกต่อมเกิดขึ puzzles, ้นมาจากพื้นน้ําจากที่ไม่มีต่อมก็มีต่อมขึ้นมาจากพื้นน้ํานั่นแหละแล้วก็ดับหายไปกับพื้นน้ําพราะฝนตกมากต่อมก็จะมีจํานวนมากเกิดกันผุดผุดผัดผุดผุดแล้วก็เกิดเกิดเป็นต่อมขึ้นมาแล้วก็แตกโปะเกิดเป็นต่อมขึ้นมาแล้วแตกโปะเต็มไปหมดเลยตอนนี้เพราะอะไรเหตุปัจจัยเปลี่ยนไป แล้วแต่เหตุปัจจัยในขณะปัจจุบันนั้นมากระทบกับพื้นน้ําข้างล่างแล้วก็ดับหายไปกระทบกับพื้นน้ำข้างล่างตอมทั้งหลายเกิดมาจากน้ําแล้วก็ดับหายไปในน้ําเป็นน้ําตอมทั้งหลายเกิดมาจากน้ําดับหายไปกลายไปเป็นน้ําอย่างเดิมพระองค์นั้นทัาพระภิสุสง์รูปนั้นท่านเอาตอมน้ําที่มันเกิดขึ้นมาจากน้ําแล้วก็ดับหายกลายไปเป็นน้ํำดังเดิม จากความไม่มีมาสู่ความมีจากความมีกลับคืนไปสู่ความไม่มีมาเทียบกับใจที่ไม่มีอะไรปรากฏแล้วก็ปรากฏอาการขึ้นมาเหมือนกับเป็นตอมน้ําปรากฏขึ้นมาทุกความรู้สึกนุกคิดอารมณ์ทุกการเคลื่อนไหวทุกการกระเพื่อมในใจจากไม่มีอะไรเลยในใจแล้วก็มีอาการเหล่านั้นขึ้นมาทุกกิดิยาการแล้วก็ดับหายไปสู่ความไม่มีจากไม่มีอะไรเลยมีกิดิยาการมีตอมเหมือนต่อมน้ําที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับหายไปสู่ความไม่มี แต่เลกาเป็นใจที่ไม่ไม่ปรากฏอะไรอีกเลยตอมน้ําท่านก็ไม่เข้าไปยึดถือเพราะว่ามันเกิดมาตามเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยสิ้นความยึดมั่นถือมันเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติโดยแท้จริงใจก็เป็นธรรมชาติที่มันเป็นของมันอยู่งันตามธรรมชาติที่แท้จริงแล้วเมื่อมีเหตุปัจจัยมากระทบทําให้ตอมน้ําเกิดคือมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ขึ้นมา เมื่อเหมือนกับน้ําฝนที่มาหยดลงพื้นน้ําข้างล่างแล้วเกิดตอมน้ําขึ้นมาแล้วทุดท้ายถึงจะมีขึ้นมาตามเหตุปัจจัยฝนตกมากตกน้อยแต่ทุกอย่างทุกขะกิริยาอาการบรรอมน้ําก็ต้องดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้ไม่มีอะไรที่จะคงอยู่สภาพเดิมได้จากไม่มีมาสู่ความมีจากความมีกลับไปสู่ความไม่มีนี่เนี่ยคือสัจธรรมไม่มีอะไรให้ยึดมั่นถือมั่น อย่าลงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราหรือมีตัวเราอยู่ในสิ่งใดไม่มีเลยเป็นอันขาดเพราะมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเพราะเหตุปัจจัยแล้วเมื่อสิ้นเหตุปัจจัยก็ดับหายไปสู่ความไม่มีอะไรดังเดิมพราะสิ้นเม็ดฝนตกแค่นั้นแหละท่านก็บรรลุอลหรหันต์สิ้นความยึดมั่นถือมั่น ไม่ขึ้นไปทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าเลยเดินกลับกุฏิเลยเข้าใจไม่หมอให้เป็นอย่างนี้นะเอ้ากดกดแช่กดแช่กดค้างไว้ก็คือความพยายามก็เป็นสังขารปรุงแต่งแต่ว่าอย่างตัวหนูเองตัวโยมเองก็ต้องพยายาม คือคิดว่าตัวเองเท่าที่ดูตัวเองต้องพยายามเพราะว่ามันหลงยาวแล้วก็กระโดดลงไปเป็นบางทีก็กระโดดลงไปเป็นอย่างนั้นทั้งวันครึ่งวันเลยอ่ะคะ่ะก็คือต้องต้องเห็นสิ่งนี้ให้ให้บ่อยให้ถี่ขึ้นนะคะต้องต้องพยายามไปก่อนนะคะมันมีสองขั้นตอนนะ <c oughs> ขั้นตอนแรกคือเราเนี่ยหลงไปเป็นสิ่งที่ปรุงแต่ง คือหลงไปเป็นต่อมน้ําผู้ง่ายหลงไปเป็นต่อมน้ําที่มันมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีแล้วก็หลงไปเป็นต่อมน้ําคือหลงไปเป็นสิ่งที่เป็นสังขารตรงแต่งแล้วก็เราก็รู้ตัวแล้วก็กลับมามีสติใหม่มีสติมีปัญญามารู้ใหม่ว่าทุกอย่างเกิดจากความไม่มีไปสู่ความมีเดี๋ยวเราก็หลงอีกหลงไปเป็นต่อมน้ําคือหลงไปหลงไปคิดหลงไปนึกหลงไปตึกหลงไปตองหลงไปเพ่งไปจ้องหลงไปวิพาควิจารณ์ไปตําหนิติเตียน นินทาว่าอะไรหลงไปพอใจไม่พอใจแล้วก็หลงไปอีกหลงไปเป็นตอมน้ําแล้วก็มิสติปัญญารู้ขึ้นมาว่าอ้าวไอต้ตอมน้ําทั้งหมดมันเป็นแก่ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็ดับกลับคือไปถูกความไม่ปรุงแตง่งทําไมไม่ไปเป็นสิ่งที่ไม่ปรุงแตง่งล่ะทาไมมาเป็นสิ่งที่ปรุงแตง่งอ้าวพอสติปัญญามาอ้าวตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่ตั้งต้นคือตั้งต้นมีสติปัญญาที่จะรู้เท่าทานใหม่เดี๋ยวก็หลงอีก ลงมาเป็นต่อมน้ําคือลงไม่เป็นในกิริยาการอีกลงมาเป็นต่อมน้ําที่จะไม่มีไปสู่ความมีแต่เรากลายเป็นสิ่งที่มีเลยคือเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งไปปรุงแต่งไปเรื่อยอ้าวมีสติปัญญาลุกตัวขึ้นมาอ้าวก็เราทำไมไม่เป็นไปสิ่งที่เป็นความไม่มีเพราะไอ้ความไม่มีมันเป็นพื้นฐานเป็นเป็นพื้นฐานเรามาจากความมาจากความไม่มีไม่มีเสร็จแล้วก็มีขึ้นมาไอ้มีขึ้นมามนเป็นของ เป็นของชั่วข่าวเป็นของตามเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วมันจะไทําไมไม่กลับไปสู่ความไม่มีเพราะว่าไอ้ความไม่มีมันคือพื้นฐานนะมันมีพื้นฐานไม่เกิดไม่ดับไม่แตกทําลายแต่ไอ้ความเกิดดับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับแต่ความไม่มีมันเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏอะไรเลยไม่ปรากฏเป็นเป็นพื้นฐานนะคือไม่มีการแตกไม่มีการดับทําลายส่วนการการเกิดและการดับมันเป็นของไม่เที่ยงแต่ความไม่มีเลย มันคงเป็นความไม่มีอย่งนั้นแะแต่ความไม่มีอ่ะเมื่อมีเหตุปัจจัยมันก็มีขึ้นมาแล้วก็ดับไปถูกความไม่มีไม่ไปยึดถืออะไรเลยไม่มีตัวตนของเราในความไม่มีและไม่มีตัวตนของเราในความมีคือในขณะที่ไม่มีอะไรเลยก็ไม่มีตัวตนของเราไม่จะบอกไปมีตัวตนของเราอยู่ในความไม่มีนะ แล้วก็มันไม่มีตัวตนของเราอยู่ในความที่ขนาดที่มันบ่งแต่งขึ้นมามีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มามันก็เป็นตามเหตุปัจจัยเหมือนกับว่าฝนจากายคามาโดนกระทบพื้นน้ำข้างล่างมันก็เลยมีตอมน้ําขึ้นมาถ้าไม่มีฝนจากใจคามากระทบพื้นน้ำข้างล่างก็ไม่มีต่อมน้ําขึ้นมาเพราะมีเหตุปัจจัยมันจึงมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์กระทบขึ้นมาแล้วก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปสู่ความไม่มีอะไรจึงไม่มีตัวตนของเราในในสิ่งในขณะิตที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไม่มีตัวตนของเราที่แท้จริงในการในความมี ในความมีอาการในความมีความคิดในความมีอารมณ์ไม่มีตัวตนของเราอยู่จริงเป็นไปตามเหตุปัจจัยเพราะตากับรูปกระทบกันหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกระทบกับสิ่งสัมผัสและก็ใจกระทบกับธรรมอารมณ์คืออายตนะภายในกระทบกับอายตนะภายนอกเพราะเหตุปัจจัยอันนี้แล้วก็จึงมีวิญญาณขันน่ะวิญญาณขันในขันที่ห้าเป็นจึงไปรับรับรู้เพราะอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกไปกระทบกัน ตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับผลทพะสิ่งที่มาสัมผัสกายแล้วก็ใจกับธรรมอารมณ์คือเวทนาสัญญาสังขารเพราะมีอายตนาภายในกับอายตนาภายนอกมากระทบกันจึงเกิดวิญญาณอคติขึ้นเพราะมีเหตุอายตนาภายในกับภายนอกกระทบกันจึงเกิดวิญญาณอคติขึ้นวิญญาณอคติในขาดย่าทางานเกิดขึ้นไปรับรู้อะไรรับรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือผลทพะแล้วก็ธรรมอารมณ์ คือรับรู้เวทนาสัญญาสังขารพอเมื่อรับรู้เสร็จแล้วก็ต้องส่งต่อเหตุปัจจัยพอมีการรับรู้เสร็จก็ส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารเมื่อวิญญาณนะขันมารับรู้แล้วก็มีเหตุปัจจัยทําให้ต้องไปส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารคือเกิดถูกใจไม่ถูกใจหรือเป็นกลางๆแล้วก็จําได้หม่รู้แล้วก็สังขารคือคิดปรุงปุงคิดแล้วก็ดับไปดับไปแล้วก็กระทบกันใหม่อีกตาหูจมูกลิ้วใจ กระทบกับอายตนาภายในอีกแล้วก็วิญญาณขันตัวใหม่ก็มารับรู้อีกแล้วก็ส่งต่อเวทนาสัญญาทั้งขานแต่ความเร็วของเขาเนี่ยเกิดดับเร็วมากแต่ให้เรารู้ว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยดังนั้นตัวตนจริงๆจรงไม่มีเพราะว่ามันมีมันเกิดขึ้นระดับไปตามเหตุปัจจัยส่วนความไม่มีเชื่อผมก็บอกแล้วไม่มีมันจึงไม่มีตัวตนของเราในความไม่มีเพราะฉะนั้นที่หมอเนี่ยพลาดคือพลาดตรงไหนรู้ไหม พลาดตรงที่ว่าอ้าวไอ้ตัวเราไปคิดอีกแล้วไอ้ตัวเราหลงไป่ึกอีกแล้วอ่าตัวเรามีการพยายามช่วยตัวเราอีกแล้วแต่มันเป็นตัวเราที่ไหนถ้ามันไม่เป็นตัวเรามันเป็นแต่สังขารปรแต่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ไม่มีตัวเราในนั้นนี่ตรงนี้ที่พลาดคืออ่าอ่าตัวเราแล้วเดี๋ยวเราพยายามช่วยตัวเราพยายามจะช่วยตัวเราให้ให้ไม่ไม่หลงไปกับความคิดอารมณ์ไม่หลงไปเป็นสังขารประดัะ ตัวเราหลงอีกแล้วอตัวเราทำไมชอบหลงมัเป <No> ็นสังขารบุงแต่งเดีวก็ต้องพยายามช่วยตัวเราไม่ให้หลงมันเป็นสังขารบุงแต่งอแต่แม้แต่ความรู้สึกหรือความคิดความปรุงที่พยายามจะช่วยตัวเราอยู่นั้นน่ะมันก็เป็นสังขารบุงแต่งที่เราบอกว่าพยายามช่วยตัวเราไม่ให้เป็นสังขารบุงแต่งอยู่นั้นแหละเราไม่เป็นสังขารบุกแต่งแล้วตอนนี้เราไม่เป็นสังขารบุกแต่งแล้วแต่นะก็คืออาการที่ปรุงแต่งจากความไม่มีแล้วก็เกิดดับไปสู่ความมีเหมือนกันก็เป็นความปรุงแต่งนั้น ต้องการให้เห็นว่าม no ีปัญญาสติปัญญาขั้นสูงสุดเคยเห็นในขณะปัจจุบันจิตปัจจุบันว่าเออตอนนี้ไหมตอนนี้เราไม่ปรุงแต่งแล้วตอนนี้เราเรามีสติปัญญาบ้านคงดีเราไม่หลงไปเป็นสังขารปรุงแต่งนี่ตอนนี้เราไม่หลงแล้วแต่ขณะที่เราบอกว่าตอนนี้เราไม่หลงเราไม่หลงไปปรุงแต่งเราไม่หลงเราไม่หลงอันนั้นแหละเราก็เป็นปรุงแต่งอยู่เป็นเป็นเป็นเป็นตัวสังขารปรุงแต่งให้เห็นว่าเพียงแต่ให้เห็นว่าไอ้ที่เรามีความรู้สึกว่าตอนนี้เราไม่หลงไปปรุงแต่งตอนนี้เราไม่หลงไปปรุงแต่ง ความรู้สึกว่าที่เราว่าตอนนี้เราไม่หลงไปปรุงแต่งเนี่ยแนคือของเป็นสังขารปรุงแต่งเราไม่ได้ไปทําอะไรกับเขานะเพียงเห็นว่าเขาเป็นสังขารปรุงแต่งมันก็สิ้นความจิตมั่นถือมั่นเนั้นธรรมชาติจะแท้จริงก็คือมีแต่สังขารปรุงแต่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาจากวิสังขารคือความไม่ปรุงแต่งและดับหายกลับไปสู่ความไม่ปรุงแต่งดังนั้นต่อยเขาจะปรุงเป็นความรู้สึกว่านี่เราไม่ปรุงแต่งแล้วนะหรือว่าโอ้นี่เราปรุงแต่งแล้ว โอ้นี่เราไม่ปรุงแต่งโอ้นี่ขนาดนี้เราหลงไปปรุงแต่งแล้วหลงไปคิดไปนึกไปตึกไปตองหลงไปม่มีอารมณ์แต่ให้เห็นว่านั่นแหละก็เป็นสังขารทั้งหมดเลยเป็นสังขารทั้งหมดแต่สังขารทั้งหมดเกิดขึ้นมาตามเหตุปัจจัยคือมีอาญาธนาภายในกับภายนอกกระทบ ก, กันแล้วก็จึงเกิดวิญ ญ, ญาณขันมากระทบมีวิญญาณขันมารับรู้แล้วก็ส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิด มีการกระทบใหม่ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็เกิดวิญญาณสังขารตัวใหม่มารับรู้แล้วส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารตัวใหม่อย่างเงี้ยเลื่อยไปไปกระบวนการของธรรมชาติจึงมีแต่สังขารเท่านั้นที่เกิดขึ้นและสังขารเทั้นั้นที่ดับไปนอกจากสังขารแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากสังขารแล้วไม่มีอะไรดับไปและพระพุทธเจ้าตรัสว่าสังขารทั้งหมดเป็นทุกข์สังขารทั้งหมดเป็นทุกข์มันทนได้ยากมันทนได้ยาก ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายต้องมีความเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปไม่อาจทนอยู่สภาพเดิมได้สังขารทั้งหลายจึงเป็นทุกข์ควรหรือที่บุคคลทั้งหลายเอจะเข้าไปยึดถือมั่นว่าเนี่ยมันเป็นเรานะสังขารที่ไม่เที่ยงเนี่ยเป็นเราเป็นตัวเร า, เ ป, เ, ราเป็นตัวตนของเราในเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่มีตัวตนอยู่จริงแล้วเขาทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เขามีสภาพเป็นทุกข์คือทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ต้องถูกบีบคั้นให้กลับไปคืนสู่ความไม่มีเกิดมาจากความไม่มีแล้วถูกสภาพโดยธรรมชาติบีบคั้น ให้กลับคืนไปสู่ความไม่มีเมื่อเขาเป็นสภาพไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ด้วยควรหรือที่พวกเธอทั้งหลายจะหลงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเนี่ยความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเป็นตัวเราตัวเร า, เ, ราเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ตื่นผู้ตองตัวเรามีอารมณ์เนี่ยควรไปรยึดถือหรือว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราหรือมีตัวเราอยู่ในสังขาร น, นี้หรือแม้แต่มีตัวเราอยู่ในวิสังขาร น, นี้ ถ้าเราเห็นอย่างเนี้ยด้วยสติตปัญญาอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายไม่ไม่เราต้องใช้โยนิสโสมนักสิการคือความรู้สึกอย่างเนี้ยไว้ในใจโดยแยบขายอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายตลอดเวลาพร้อมกับสติปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันใจก็จะค่อยๆ ย, ยอมรับตามความจริงสิ้นความยึดมั่นถือมั่นไปในี้ที่สุดก็พ้นจากถูกไปได้เข้าใจไหมหมอสรุปให้หน่อยอ้าเข้าใจแล้วสรุปให้หน่อยสรุปสั้นๆอ้าออกจากใจซิ เอาทั้งหมดตั้งแต่ตั้งแต่ที่ท่านที่ที่หลวงตาท่านเริ่มพูดใจของเราที่เราใจเป็นตอนนี้เราเรา้าใจยัจากเดิมมาก่อนฟังหลวงตาก่อนพบหลวงตาขนาดฟังและบัดนี้ถึงตอนนี้แล้วก่อนฟังขนะฟังหลังฟังจบเสร็จแล้วเข้าใจด้วยใจยังไงก็เอาพดพูดพูดผิดไม่เป็นไรนะคะโยมแล้วพูดถูกใช่ไูดถูกไม่ว่ากันเน่ะ ก็ก็คือต้องต้องเห็นตามความเป็นจริงบ่อยๆว่าจริงๆแล้วตัวเราไม่มีเราปรุงขึ้นมาเองจากความว่างทุกความพยายามทุกความคิดทุกความอยากเราอย่างนั้นเราอย่างนี้ก็คือจริงๆคือสังขารปรุงแต่งทั้งหมดค่ะก็แล้วก็ถ้าคือคื อ, คอเวลาหลงระยาวถ้าเห็นก็คือต้องไม่มีกิเลสตามไปโกรธ ไปรู้สึกผิดหรือไปท้อแท้ค่ะต้องเห็นให้บ่อยๆแต่ถ้ายังเห็นได้ไม่บ่อยก็ต้องโยนิโสมนานสิการหรือเหมือนสอนมันว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมาจากความว่างควรหรือที่เราจะยึดถือทุกอย่างที่ปรุงแต่งขึ้นมาที่เป็นสังขารคือความทุกข์ค่ะถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วแล้วก็เปลนะี่ยนเขานะยีลูกยีว่าไงเอก็ <God. S 2> อ คือยิรู้สึกว่าตัวเองพอเวลาเรารู้สึกแล้วมันมีเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ที่หยีฟังหลวงตาคุยกับหมอการเนี่ยเออหยีหยีฟังอยู่ไหมฟังอยู่เข้าใจไหมค่ะเออแต่ก่อนฟังกระดาษฟังและตอนนี้เข้าใจยังไงอธิบายรวบยอดในใจตัวเองเราจะปฏิบัติยังไงแล้วเข้าใจยังไงคือเหมือนตอนแรกตั้งใจจะมาถามหลวงตาว่าเวลาเราเหมือนเราดูรู้สึกตัวแล้วมันมี อารมณ์หรือความคิดอะไรขึ้นมาที่มันไม่ค่อยดีะคะ่ะแล้วก็เหมือนจะรู้สึกว่าตัวเองจะคอยผลักออกตลอดเหมือนจะแบบเห็นตัวเองผลักออกตลอดด้วยความแบบรวดเร็วมากแล้วก็ที่ผ่านมาคือพยายามจะรู้สึกว่าทำยังไงเราถึงจะรู้ได้โดยที่เราไม่ผลักออกมันรู้เฉยๆะคะ่ะแต่ว่าเหมือนพอฟังที่หลวงตาสอนคุณหมอแล้วก็รู้สึกว่า เออจริงๆนะไอตัวผักออกนี่มันก็เป็นตัวปรุงแต่งเหมือนกัน อ, อ่ะถูกต้องเยียเย่ยมเยี่มเยมเยี่ยอันนี้เยี่ยมเลยใช่ตัวพยายามผักออกก็เป็นตัวปรุงแต่งใช่เพราะฉะนั้นเราก็แค่รู้ตรงนั้นไปไม่ต้องแบบไปคิดว่าเออจะทํายังไงให้มันไม่ผักออกอืมแม้แต่เราพยายามไปทําไปทําเอาเออแต่ทายังไงให้มันไม่ผักออกไอความคิดควาปรุงแต่งว่าทํายังไงจะทําให้มันไม่ผักออกอันนี้ก็เป็นตัวปรุงแต่งอีกเหมือนกันค่ะอะไรสรุปแล้วคือปรุงแต่งหมดเลยปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งหมด เห็นว่ามันเป็นฟงแต่งหมดก็สิ้นความยิดมั่นถือมั น, มนเหมือนตอนแรกก็แบบรู้สึกว่าพอเรามีอารมณ์ที่แบบไม่ค่อยดีขึ้นมาสมมติว่าเราแบบกังวลอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบเห็นตัวเองแบบผักออกผักออกตลอดเลยแล้วก็เลยคิดว่าแบบทำยังไงถึงจะแบบเออเห็นเฉยเฉยโดยที่ไม่พักออกแต่ว่าพอแบบฟังของตาแล้วก็คิดว่าเออจริงๆแล้วตัวที่เราผักออกนี่มันก็ เป็นสังขารปรุงแต่งที่เราคิดว่าแบบจะทํำยังไงให้มันไม่เกิดตัวนี้ขึ้นมาเราก็ปรุงแต่งไปอีกอยู่ดีใช่ค่ะ <c oughs> แค่เห็นแค่รู้แค่นะั้นแน่ใจมันก็เบาและว่างไปเลยว่าจับพาละทั้งมวลน่ะคือว่านจับพาระทั้งมวลว่าจากภาละทั้งมวลต้องไปบีบไปอัดไ ป, ไ ป, ไ, ปดไปจัดการมันคือว่านจากความยึดมั่นถึงมัง่นเข้าใจนะค่ะถ <c oughs> ูกต้องนะเห็นอย่างเงี้ยเป็นสังขารเลยไปนะลงุงดีละเก่งมาก